วันนี้ก็เป็นวันต้นนี่จะอะไรจะสรงสุลาใช่ไหมสุลาครับุลานะสามนะเปนที่สามเลยเปันที่สามนะนที่สามแต่เป็นวันแรกของการเจริญพระกรรมฐานวันนี้บรรดาญาโยพุธบริษัทหมดเรื่องสงสัยนรกสวรรค์พรมโลกนีผ่านไปแปดร้อยแปดสคนร้อยแบคนนะ แล้วก็เก่าๆก็จะมีมากที่หมดสงสัยไปแล้วฉะนขอเวลาญาติโยมพุทธบริษัทกันเลยจะมีทำความรู้สึกแต่ตัวเองว่าเรามีความดีพอพอที่จะไปนิพพานได้คําสั่งสอนองค์งสมเด็จพระสัมม า, า, าสัมพุทธเจ้าท่นมงกุนิพพานเพราะว่าจงคิดถึงความเป็นจริงว่าการไปนิพพานวันนี้พระเจ้าของวัน <c oughs> เลิกไปมื่อก่อนก็ตามจนฟังว้าใจว่ามันเหมือนกับบ้านของเราโลูกจุดที่ฝั่งโน้นเรายังไม่เคยไปแต่เขาบอกว่าบ้านมีอยู่แต่ว่าเราสามารถข้ามไปเที่ยวได้เท่ากับมาข้อนี้มีความายั้นใดสว่านี้ก็ดีผม่าโล ก, กดีที่พันก็เช่เดียวกันเราไปเทียวเมื่อวันนี้และวันก่อนถือว่าไปเที่ยวไปเพราะจิตบริสุทธิ์เ่้าขนาดเดียว แต่เนื้อแท้จริงๆยังไปไม่ได้ <c oughs> ต้องกลับมาพื้นฟูคุณธรรมในตัวขเราเองให้มีที่ให้มีความดีพอที่ปริพันธ์ได้แน่นอนคนจะปริพันธ์ได้เพราะอะไรมาเช่นนี้ขอเชิญขอพูดแบบง่ายๆจะไปได้ก็เหตุสสารกายชิ้นหนึ่งทานสองศีลสามภาวนาเอาอย่างง่ายนยกทรงนะ ง่ายไม่ทนันทานการให้ตอนนี้ก็จะคุยกัเฉพาะเรื่องของทานก่อนการให้ทานในบรรดาธุรกิจบริษัทถ้าให้จริงๆนัื่งขัง้นีสุดของทานเขาสา ม, มารถปฏิบัติได้ทนีนี้ต้องพิจารณาเนี่ยปาไม่เป็นขั้นนะทานมีสามขั้นหนึ่งวัตถุทานสองธรรมทานสามอภัยทาน สำหรับวัตถุทานมันได้แยกโยยพุทธบริษัททํากันแล้วทุกคนนะมาที่นี่เขาวจว่าทุกคนถวายสมปรทานกันแล้วบ้างนม่จะถวายสมประทานบ้างการทานคือการให้ที่ใชพราะวันนี้แตะวันเกนก่อนเราเคยทํำมาแล้ววัตถุทานก็แบ่งเป็นหลายชั้นแต่วันนี้ยังจะไม่พูดถึงใช้นก่อนแยาขอว่าวัตถุทานที่เราให้แล้วสามารถไปเกิด บ, บ, สบนสวรรค์ได้ แล้วเจ้าสินก็เป็นเดียวกันถ้ามีสินเลยสุดก็สามารถไปเกิดบนสวรรค์ได้สําหรับผู้ภาวนาภาวนาในขั้นอย่างต้นอย่างไม่น้อยก็ไปเกิดบนสวรรค์ได้ถ้าอย่างกลางไปพงโลกได้อย่างสูงสุดไปนิพพานได้วันนี้จะพูดเฉพาะทานก่อนถ้าเวลามีพอก็จะพูดถึงสินคําว่าทานคือการให้ การให้เขาบรดาแต่พุทธบริษัทต้องทร า, าบความประสงค์องสงในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ว, ว่าไม่ใชให้จนหมดตัวหรือว่าไม่ให้จนทั้งเราเองลำบากก่อนที่จะให้ต้องดูก่อนเวลาถ้าเราให้ไปแล้วเราจะเดือดร้อนไหมสมมติว่าถ้าเรามีทรัพย์ถึงกัดพอกินพอใช้อย่างนี้ให้เดยววัตถุทานไม่ได้ถ้าให้แต่เราอดเราก็ต้องงดไม่ให้ แต่ว่าจิคิดจะให้น่ะมีอยู่คิดจะว่าจะขาดนุกสติคิดว่าถ้ า, าเราพึงมีเราจะพึงให้นการให้จะให้การให้ก็มีผลไม่เสมอกันให้ทานกับกู้ที่ไม่มีศีลร้อยครั้งก็มีผลไม่เท่ากับให้ทานที่ทำท่านมีศีลแต่ว่าศีลขาดจะได้หนึ่งครั้งศีลมีไมอเกันกับศีลขาดจะได้หนึ่งนะ ให้ทานก็คุณเคยมีสินและสิ้นขาดแล้วรอยครั้งมีผลไม่เท่าก็ให้ทานก็ะทัดทีมีสินบริสุทธิ์หนึ่งครั้งให้ทากนกระท่านี่มีสินบริสุทธิ์ร้อยครั้งมีผลไม่เท่าก็ให้ทานที่กับท่านที่ปฏิบัติเป็นโสดาปฏิมาถึงครั้งผู้วปฏิปฏิบัติเป็นโสดาปฏิมา ก, ก็า ม, กมายถึงว่าคูพกุกมักจะเป็นภาวนาตั้งใจจะเป็นโสดาบันจะเป็นไม่ได้ยังไม่ถึง ยังนี้เขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติผู้โสดาบันมากก็ถ้ายกตัวอย่างระยางบรรดาแค่บุตรบริษัทธ์ที่มานั่งที่นี่มีหลายคนที่ยังไม่ถึงระโสดาบันแล้วมีหลายคนที่สงสัยว่าถึงแล้วมีหรือเปล่าไม่ทราบเออสงสัยก็เลยไปแล้วก็มีสงสัยนี่แค่สงสัยนะสงสัยว่าถึงแล้วก็มีแล้วสงแล้วก็ไม่สงสัยว่าที่ยังไม่ถึงก็มีอันนี้ไม่สงสัย ก็เป็นว่าท่านที่ปฏิบัติเท็นโสดาปฏิมักคือยังไม่ยังไม่เป็นสโสดาปฏิมักแต่ให้กับท่านที่ปบัตเป็นสโสดาปฏิมักร้อยครั้งก็ยังมีผลไม่เท่ากับให้ทานโอโสดาปฏิมักกี่ทีหนึ่งครั้งที่ขอย่อให้รวบยอดเลยให้ทาแล้วพระอรหันต์ร้อยครั้งยังมีผลไม่เท่ากับไห ว, วาทานกับพระส์กับ ถ้พาพาระเจ้พุทธเจ้าหนึ่งครั้งถ ว, ว, วายทานกับพระเจพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานโดยสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานโดยสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายสังฆทานหนึ่งครั้งถวายไสังฆทานร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายวิหารทานหนึ่งครั้งหมดแค่นี้พระตูทานนะตอนนี้บรรดาญาโยพุทธบริษัท ที่นั่งอยู่ที่นี่ทุกคนนี่ยังไม่มาก็าตามเคยถวายสังฆทานแล้วเกิดจะทุกคนนมั้งหรือยังใครยังไปใเคยให้มีไหมถวายสังฆทานก็ทํำแล้ววิหารทานก็ทําแล้วจะมีเพราะอะไรเพราะว่าท่าของที่นํามาเป็นสังฆทานถ้าเป็นสตางเป็นเงินเปินทองที่นํามาจะมาก็ไปใช้ในส่วนสังฆทานได้วิหารทานด้วยเพื่อนําไปก่อสร้างเป็นวิหารทาน ท่านทำกันแล้วแต่ว่าทานทั้งหมดนี้เป็นวัตถุทานก็สามารถจะทำตนให้ทุกคนไปสวรรค์ได้แต่ว่าจะไปพรมโลกได้จะไม่ได้ตอนดูงกก่อนถ้าจิตใจมั่นคงในทานจริงๆคือจาคานุสติจิตใจคิดว่าถ้าใครที่มีความทุกข์ขาดข้อใลวัตถุธาตุต่างๆที่พึงใช้ถ้าไม่เจอรู้สัยที่เราจะให้ได้เราจะให้ ถ้าเงินวิสยัยที่เาจะให้ได้เราก็ไม่ให้จะตั้งใจจะให้ถ้าจิตใจทรงตัวแบบนี้ตลอเวลาแล้วก็ไปคิดอยากได้สักสักหลายของใครโดยไม่ชอบทำอย่างนี้ถือเป็นชานในใจความเรื่อติดลมทานถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปพรมโลกได้ไม่บาดถึงทานนะเมว่าการก็ให้ถึงให้ทานในบรรดาเจะพุทธบริษัทให้ไทยก็ดีก้าถึงก็ดี ก็ไปก็ได้แค่สวรรค์กับภพโลกเพราะว่าถ้าเอาจริงๆถ้าทานโ ส, สดสดวันิผ่านได้ในเรืออรภัยทานถ้าทานที่สองก็ได้เจอธรรมทานคำว่าธรรมทานมาจากการให้ทำเป็นทานให้ทำเป็นทานก็หมายถึงว่าการแนะนำคนอื่นให้เข้าใจในทานการแนะนำบุคคลอื่นให้ละจากความทุรข์ลดความดี อย่างนี้เขาําชั่วมันเป็นขอาดีเราแนะนําเขาแต่การแนะนําก็ต้องระมัระวังอย่าให้สะเทือนใจของเขาบุคคล้รับการแนะนําเราแนะนําำมเขาละความชั่วของความดีแล้วเขาจะประพฤตดีในสมดุไหนก็ตามไป็น่ของเขาแต่เราตั้งใจแนะนำํำอย่านี้ไปธรรมทานท่านที่มีกําลังใจไปธรรมทานอย่างนี้สามารถเกิดเป็นพรมได้ถ้าเข้มแข็งจริงกบเป็นพระสารได้เหมืกัน การต่อไปอภัยทานอภัยทาน น, นี้มีความต้องการมากคําว่าไปคือไม่ถือโทษโทษเขามหมายความว่าถ้าบุคคลใดก็ตามมาทำให้เราไม่ชอบใจเราก็ไม่จองรล้วไม่จองผลานไม่คิ้งโทษเขาให้ไปกับเขาถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนคือถ้าติดตามที่พระเจ้าทรงตรัสว่านับติโลกี้อนิจโตคนไม่ถูกตัญทานเลยไม่มีในโลก <c oughs> การถูกดินทาเป็นของธรรมดาธรรมดาของคนในเมื่อเขาทาให้เราไม่ชอบใจแล้วก็ปล่อยไปไม่ิไม่โกรธเขาอันดับแรกอาจจะสะเทือนใจบ้างแต่ไม่คิดเจองร้า น, นจองผานไม่คิดแก่ตัวอย่างนี้เป็นอภัยทานจิตเป็นสุขถ้าจิตของทุกคนเข้าถึงอภัยทานเฉพาะทานอย่างเดียวเนะไปนิพพานได้แน่ถ้าคนที่ไม่อภัยทานมีอะไรบ้างคนที่เพิงได้ขึ้นหนึ่ง ไม่ฆ่าสัตว์สัตว์เล็กก็าตามสัตว์ใหญ่ก็าตามถ้ามาลบกเลเราเราไม่ฆ่าอย่างยุงกัดแทนที่จะตีให้มันตายาก็โบกให้มันไปเสียอย่างม้วนกัดก็ปัดให้มันไปเสียอยันนี้เป็นต้นเคยก็สมว่าคนก็ตามเธอหากว่ า, า, าทาเราไม่ชอบใจเราก็ยกอภัยให้เราไม่ต อ, อบแล้วก็ได้สิงข้อที่หนึ่งแต่การทีออ่สองเราจะได้สิงข้อที่สองเพื่อที่ น, า ท, นาทาน ของอะไรก็ตามมันมีค่ามากก็ตามมีค่าน้อยกว่าตามพอที่เราจะหยิบสวยได้เดียวจะขอไม่เห็นเราก็ไม่เอาให้อภัยกับคนเผลอไม่หยิบของเขาไปพระการที่สามการเมตตชฉาจานยังใดที่เราควรจะละเมิดได้เราก็ไม่ทําเพราะมีจิตเมตตาคนที่มีอภัยทานก็คือมีเมตตาเรื่องเมตุนาเราสองปรการเมตตาด้วยเมตตาความรักเรตุนาหรือความสงสาร ถ้ามีรัสษาการแี้จึงจะมีอภัยทานได้ถ้าไม่มีเมตตาความรักกรุณาความสงสารแล้วก็มีอภัยทานไม่ได้ในเมื่อมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารอยู่เราก็ไม่จะโม้สิทธิในทรัพย์สินของเขาคนเละหรือว่าคนรักของเขาต่อไปก็โมสาวาสเรามีอภัยทานเสามารถจังวดเว้นมุสาวาสจงได้ คำพสาวาทเป็นว า, าจาที่ไม่ดีถ้าไม่เขามีความเข้าใจผิดเขาอาจจะมีทุกข์จากคาพูดของเราก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่เมียพยานิจะไม่ทําพอมีเมตตาความรักกุณา ม, มีความสงสารต่อมาว่าการดื่มโซราไดมีไรต้อให้อภัยกับเจ็๊ให้ทุกทรง <Okay. S 1> เจ็๊ภัยเดือดใครเล่ามาแล้วให้ไปไม่ได้วแวะโสงสารแกจะเสียเวลา เดียร์ก็เราก็ไม่กินเหล้าเพราะอะไรไหมให้อาภัยกับตัวเราเองด้วยให้กับคนที่บ้านด้วยถ้าเรากินเหล้าเนี่สตางค์มันเปลืองแทนที่ทางบ้านจะซื้อกับข้าวกับปลาแล้วของใช้มาใช่มันก็หมดไปเพราะเหล้าไว้ก่อนมันก็เป็นของไม่ดีเกลงความว่าพระบรรดาญาติโยมพุกบริษัทรู้จักการให้ทานการดำเนินกรรมฐานของบรรดาญาติโยมแล้วก็วมุ่งกันอยูส่สองอย่าง เป็นหนึ่งอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่ตกนรกอันดับที่สองโสูง ส, สุดก็คือไปนานิพันเพราะนั่นสิ่งที่ป้องกันอนรกคันแรกและเป็นทางเดินเก้าไปหาญพันธ์ก้าแรกก็คือทานทานการให้บรรดาเทพวิสัษช์เป็นของไม่ยากนักเพราะว่าจงอย่าลืมว่าพระเจ้าหลตรัดว่าจงอย่าให้จนทั้งตัวเองมีความเดือดร้อนเพราะถ้าบางเอิงเราไม่ให้เอง ยกทรงเขาูดได้ไหมถ้าเราไม่ให้ทานเองเราจะไปสวรรค์ได้ไหมไม่ได้ครับสองฉันได้ทานระไตรปดกก็ได้ฮะทานพระไตรปิกไม่ใช่ทานพระไติฎกมีในพระไตรปิดกนะองค์นี้ไม่ทาน<อ>ไม่ไอ้ทานนั้นไม่ทานดีมันะจับโยนไปเลยมีเรื่องไหมพระไตรปิดกไม่ใ ม, มารณวัตถุมีนางฟ้าคนหนึ่งมีวิมานใหญ่โตมาก ถ้าไปวมานสวยมากเมือรหลังใหญ่นะนี่มีหลังเล็กแจ็กอนั่งเล่นอีกสองหลังท่านนั้นบริเวณวิมานในเขตวิมานก็มีสวนต้นดอกไม้ต้นไม้สวยๆแต่ดอกไม้ก็เป็นเพชรนะส ว, สวยงามมากามมาก็อพอดีพระจะหันองค์หนึ่งท่านไปเที่ยวสวรรค์ที่นี่เป็นโมกขารามังไม่พลาดอางค์นี้นะฮะถ้าไปวิมานเหล่านัา้นเข้าก็แปลยใจว่าเมื่อวันวานี้ไม่มีวันเหล่านี้ แต่วันนี้มันมีขึ้นมาได้ยังไงไปยืนไนวิมานก็สวยมากใหญ่มากใหญ่เป็นพิเศษหลังเล็กสวยบริเวณก็สว ย, วสวยต้นไม้ก็สวยสวยหมดออก็เลยถามเจ้าของถามว่าใครเป็นเจ้าของวิมานหลังนี้ตั้งแต่ ว, วิมานหลังนั้นมีบริวาร น, นึงห้าพันคนนี่รุนองมากใชถามว่าใครเป็นเจ้าของวิมาน เราก็ชีตดูว่าคนนี้เป็นอย่าข อ, อิมานแต่งตัวสวยมากก็ร่างกายก็สดสว่งามมากท่านถาว่าพรกินิดตัวก่อนน้องหญิงอยากจะทราบว่าในสมัยที่เธอเปนน็นมนุษย์เธอทำบุญอะไรไว้จึงมีมันหลังใหญ่ด้วยวิริยันหลังเล็กด้วยก็สวย ส, วย ส, วยสวยงามมากตัวเองก็สวยวริวันก็มาก เจ้าคนนั้นก็ตอบว่าไงทราบไหมคุณผูชมก็ตอบว่าตัาง้งแต่เกิดมาไม่เคยให้ทานเลยเจำให้ดีอนุญาตโยมนะนต่อไปชัดนหน้าจะอดตายจะไม่รู้นะนนนถ้าเรนเป็นมนุษย์อดตายแน่อย้าคนนี้นะแต่ตว่าอาศาัยที่เคยเป็นเพื่อนกับนาวิสาขานาวิสาขาท่านสร้างวิหารก็ใหญ่ใช่ไหมถวายทานก็มาก นาวิสาขาก็ดีถ้านารวิปัสสาก็ดีสองคนนี้ถ้ า, ขาเขาเปนเครือข่หารไอ้ ม, มือจะว่าจะอาหารและเทศศัตริย์ไม่มีต้องมีคนหิ้วไปเสมอตอนเช้าก็ไปอาหารตอนตอนเที่ยงก็ไปอาหารหลังจากเที่ยงแล้วก็มีเทศศัตที่พทย์จะนได้ดตัดเต้าติดไปทุกวันยังมีบุญใหญ่แต่ว่ค า, าคนนาวฟ้าคนนี้จเป็นเพื่อนกับนาวิสาขาจะมโนธนาอย่างเดียว นักวิสาขายท่านจะทำอะไรว่อตาอมื่อแกมโนธนายินดีด้วยทุกอย่างแต่ไม่ทําไม่ต้องทําตอนนี้อเวลาที่แกตายจิตจใจของแกก็เป็นนึกถึงมหาวิหารเข้านึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระสงฆ์นึกถึงมหาวิหารก็จะตายนะแต่เราเองไม่เคยสร้า ง, าาา ง, งแต่เราโมทนาคุณสมนี้จะมีแกเราหรือไม่ยังแค่สงสัยนะ แต่มั่นใจว่าองค์สมเด็จพระจันาร์ตายคือพระพุทธเจ้าเคยบอกว่าพระปตานมุตนาใหม่ก็มีผลกับเราก็ตายในเวลานั้นพอดีก็พอดีเพม่นเกิดเป็นดังฟ้าทันที่กล่าวมาแล้ว<อ>นี่แปลว่าคนที่ไม่ให้ทานเลยก็สามารถเป็นดังฟ้าได้นะไปยกระดับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนะเป็นไงครอดตายไม่ต้องห่วงตามที่พระเจ้าทตรัสว่าพระพุทธกษัตริเคยเทศ พระสมณะโคดมอ้างพุทธกษบตริยถ้าเคยเทศน์บอกว่าบุคคลใดที่เคยให้ทานแต่ผู้เดียวไม่ชักชวนบุคคลอื่นบุคลคลคนนี้เกิดไปชาติหน้าจะมีทรัพย์สมบัติมากแต่ขาดบริวารในสมบัติขาดพวกพ้องไงบุคคลใดมีแต่ชักชวนบุคคลอื่นให้ทําบุญทาทานแต่ตนเองไม่ทํา เกิดเป็นชาติหน่าจะมีพรรคพวกมากแต่ขาดทรัพสมบัติเป็นคนจนถ้าผู้ใดให้ทานเองด้วยใช้คนบูงคนอื่นด้วยเกิดเป็นชาติหน่าจะเป็นคนรวยมากก็จะมีพรรคพวกมากถ้าผู้ใดไม่ทานเองด้วยมาใช้คนบู่คนอื่นด้วยเกิดเป็นชาติหน้าโนกระจัดยากจนแล้วก็ไม่มีพวกอย่างนางฟ้าคนที่ว่าเมื่อกี้นี่ก็เหมือนกันถ้าแกไปดูพานไดออกไปถ้าไปไม่ได้กลับมาชาติหน้าอดแน่ ที่ฉันไม่แ ช, ช่งเลยนะนก็พรัะไม่แช่งก็ไม่ตายอยู่แล้วช่งอะไรเล่าก็เป็นตามความเป็นจริงอย่าง ก, กับนั่นอานาเสรถีเไยนะาอานาเสรถีคนคนนี้เกิดมาแ้กเป็นลูกมหาเศรษฐีวทรัพแปดสิบโกดจะพ่อเงินนะ ท, ทองแลเพชรต่างหากใจก็วัา น, านนั่นนึกในใจว่าทรัสมบัติต่างทั้งหมดที่เรามีอยู่นี่ ไม่มีใครให้เรานอกจากปู่ย่าตายายของเราสะสมไว้คนอื่นไม่เคยให้แต่ก็เลยไม่ยามให้ทัพย์สิกในกับใครซึ่งที่ว่าทานนิดหนึ่งไม่ยอมให้เลยแต่ก็ไม่ขาดศินได้เป็นคนไม่มีศีลนะเป็นคนไม่มีศีลก็เป็นคนไม่ขาดในศีลด้วยแปลกไหมงงนะงงเลยเคยไม่เคยสมาทานศีลแต่ไม่ละเมิดในศีล ไม่ได้ตั้งใจรักษาสินใช่ไหมใช่คือไม่สครพเพราะไตสนาคมเพราะพระเจ้าก็ไม่เคารพพระสงฆ์ก็ไม่เคารพแต่ไม่แปรมากเพราะว่าจะไปรักเรียกฆ่าใครเขาก็ไม่ต้องฆ่าเขาเลยทรัพย์ขาสมบัติมากถ้าฆ่าคนเพื่อทรัพย์สินนะไม่มีใช่ไหมใช่แต่ประมยลเขาก็ไม่ต้องเลยทรัพย์สินมากทําการมืองสนใจการก็ไม่ต้องพวกชาวบ้านก็ไม่ต้องไม่ต้องโกรใคร จะขอทานมาขอแค่บอกคำเดียวไม่ใช่บอกไม่มีจะบอกฉันไม่ให้แกถ้าบอกไม่มีกี่กหกใช่ไหมอราบอกฉันไม่ให้แกขจวัตผู้ญาติยายฉันสะสมไว้บมเรื่องกันไปผุ้ใดก็ไม่ดื่มเกรวมความว่าความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏสองอย่างร่วมกันแต่นั้พอตายจากความเป็นคนก็ไม่ลงนรกสวรรค์ก็ไม่ไป ไปไม่ได้ดิไม่มีทานไม่มีศีลไปไม่ได้นะแล้วก็ไปไม่ได้เพราะไม่มีบาทก็ไปเเิดเป็นลูกของขอทา น, ปน ไ, ไ, ไปไปสนทิษณ์ในรุ่ขอทานเพราะรุ่งขึ้นเช้าคณะขอทานก็เป็นคณะใหญ่แม่เอ่อคณะแม่ก็ไปกับพวกขอทานด้วยกันวันนั้นทั้งวันไม่มีใครให้อะไรเลย วันหน้าขอไทาก็แปลใจคิดว่าคนใจดีจะได้ในหมู่ของเรารก็เลยวันหนึ่งก็แบ่งเป็นสองขั้วพวกที่แม่ของเด็กไปด้วยไม่มีใครให้แต่พวกที่แม่ของเด็กไม่ได้ไปเขามีมีคนให้เจ้าตั้งเขาจัดแยกไปแยกไปจนต้องเหลือหนึ่งคนนะไปสายก็หนึ่งคนแต่แม่ของเด็กไม่ได้นะเจ้เขารู้ว่าเด็กคขี้ว่าเกิดในท้านี้เป็นต้องเป็นคนที่ขายความดี จะบอกแม่ก็ได้บอกว่าเธอจะอยู่ที่นั้นไม่ต้องไปหาพวกเขาหาเรงแทนตอมามาถึงเวลาใจคลอดใจขลอดมาแล้วรูปร่างสวยมากโอ้สาบพกเขาเอาเลสาบทุกอยาดีแล้วนะเรเห็นว่าสวยก็เลยรับเอาก็สวยนีตามบาีจะบอกเหมือนปีศายทุกงฝุนเอาเลยโยโซสาบประตูน้ำดีกว่าปีสาบด้วยนะแฟนคลับคนนี้ด้วยนะ ันสวยจากเกินไปเ็ขาดเมตตาบารมีไอ้คนที่อยสวยไม่มีเมตตาบารมีเมตตาทำให้คนสวย <c oughs> อย่าลืมน ะ, ะยนันจะกโซเห้นใครก็เมตตาด้วยนะระวังให้ดีนะ <c oughs> <c oughs> มาโทษใช้ไม่ได้นะเ <c oughs> มตตาให้มีของเคสแล้ว <c oughs> ต่อมาเมื่อเมื่อเธอโตขึ้นมาแล้ว ถ้าวันไหนถ้าลูกออกมาแล้ววันไหนแม่ไปขอทานเอาลูกไปด้วยไมนมีใครให้ใถ้าไม่เอาลูกไปก็มีคนให้เมื่อโตพอเดินได้พอได้ว่าสักสามที่ขวบไปตัองนะหลังจากนั้นแล้วพอเวลาขอทานต้องไม่ลูกไปเธอหยุบเอากระเบื้องแตกแก้ของที่พระจันะขอทานนะมาดีไม่ได้ใช่ไม่ม<ะ>จะไม่จนพอใส่มืให้บอกเธอจงไปตามตามทางของเธอ แม่ก็อยู่ของแม่เพียงไปจากแม่พอแม่ไ ล, ล่แกแล้วแกตายจะทำให้คนยกทรงแค่เหมือนคนหลับก็ตื่นขึ้นมาใหม่พอแม่ไล่เธอแล้ก็นึกได้ว่าเราเคยเกิดเป็นมหาเศรษียู่ทีนเมืองโน้นเขาตื่นเกิดขึ้นยงนนไงแม่ไอ้คนตายจะคนเกิดเป็นคนหนึ่งเหมือนคนหลับแล้วตื่นขึ้นมาท่านจําได้ทุกอย่างอนแค่เดินตรงไปบ้านพอดีไปถึงเวลาเช้า เขเจ้าก็าอนนเป็นวท น, น, นาบัพอดี <c oughs> ต่จะเข้าประตูในประตูก็ไม่ยอมให้เข้าพาแกตายแล้วลูกชายก็ไปมาหาเศรษฐีแทนนะในประตูไม่ยอมแกก็จะากข้าจะบอกเป็นบ้านของแกพอดีพระพุทธเจ้าเห็นเข้าถ้าอนนท์เห็นอานันนเสรีไหมท่านอนก็เดียวท่านเลยขอว่าไม่เห็นพะเจ้าข้าท่า <c oughs> นถามว่าเธอเห็นเด็กที่รูปรูปร่ปรางคล้ายๆบิณฑบาตคุกขุนไหม อนนท์เห็นก็นั่นแหละเออนันทเสกสีอนนเธอจะบอกในประตูให้ไปบอกมหาเสกสีลงมาเราลูกชายลงมาเขาก็ไปตามคําสั่งพระเจ้าถ้ามหาเสกสีที่เป็นลูกลงมาแล้วพระเจ้าบอกว่าเด็กคนเนี้คือพ่อของเธอเขาจะเชื่อได้อย่างไงอ่ะพระโคดีเชื่อไหมไม่เชื่อพระเจ้าพระเจ้าจะนะไปเกินพอดีไปเด็กอายุไปถึงห้าขวบ ก็รูปย่างมืสลิมซาตีสากุลคุณตายไปไม่กี่ปีพียังจําได้อยู่ยังจเพ่อได้เลยนะเขาก็ไม่เชื่อพระเจ้าจึงบอกกันเลยว่ า, าอาจานนตเศีทรัพย์สมบัติที่ยังเธอก่อนที่เธอตายแต่เธอไม่ได้บอกให้ตุชัยรู้มีไม่ที่ฝังไว้แต่เรามีไปตามฉันมาเ <c oughs> ขาก็ให้คนตามไปพอถึงก็ชื่อว่าตรงนี้ตุ่มเงินขุดกระพกเงินพอดี ตรงนี้ตุ่มทองคนระพพทองพอดีตรงนี้กตุ่มแก้าด้วตุ่มเพชรนะที่ตั้งไหนมีตรงนั้นผู้เจ้าเลยบอกว่าเขาอาศัยที่พ่ อ, ขอเขาขาดทานธานบารมีที่เป็นอย่างนี้โยเลี้ยงพ่อกขาถือเขาก็ยอมรับเลี้ยงไม่ได้ผู้เจ้านะ<อ>ที่เป็นว่าการให้ทานบรรดยาญาโยมผู้โดยสัตว์มีความสําคัญมากชาตินี้เรามีขนาดนี้ เพราะว่าคนทานสูงสุดเท่าทุทานนอกจากวิหารทานนะก็มีวิสังฆทานวิหารทานนี่จะเป็นปจจแจเรามีบ้านสวยนอ่าอยู่นะสังฆทานจะเป็นคนรวยตามพระบาลีจะบอกว่าคนที่ถวายสังฆทานแนละ้ครั้งหนึ่งมาชีวิตได้รูแล้วราไม่เคยให้อีกเลยนะได้ครั้งเดียวนะตาแล้วจากความเป็นคนก็เกิดไปเจอ ด, ดาบ้างนาง้าบ้างเพื่อลงมาเป็นมนุษ ยินแดนแห่งใดที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมาร์ความยากล่ายา ห, หรือยากจนจะไม่เกิดที่นั่นย<ช>ินแดนเห่นใดมีคนโดนสมบูรณ์คือเป็นคนรวยนะจะเกิดทุกชาติเป็นคนรวยยิ่กว่าจะเ้านิพพานนี่สังฆท า, านครั้งเดียวนะครั้งเดียวครั้งเดียวถ้าหลายครั้งน่ากูจะไปไปถึงมุนน <c oughs> ม่นหนักบุญหนักถ้าหลายครั้งก็ต้องเกินแปดสิบโกด มหาเศรษฐีถ้าตั้งต้นในแปดเงินแปดสิบโกดถ้ามีเงินเงินถึงแปดสิบโกดเรียกมหาเศรษฐีถ้ามีเงิ น, นถึงสี่สิบโกดขึ้นไปเรียกอนุเศรษฐีถ้าไหลายข้นก็เป็นเงินต้ก็ยังมาวิสาขางเลยรวิสาขัางตะกูะนักโกดไปได้อดัมบานดาญาโยมพุทโธอิศังหลพูดไปพูดมาวันนี้อยู่แค่ทายเงินพอถ้าพูดมากไปจะจำไม่ได้ วันนี้ท่านนองหลายตั้งใจมาเจริญกรรมาฐานจะให้ทายก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีตามมุ่งหวังพระเจ้าคือต้องการทุกคนไปนิพพานเพราะนี้หากว่าท่านนองหลายตั้งใจไปนิพพานวันนี้ก็มีคนไปเที่ยวนิพพานได้ร้อยกว่าสิบเอ็ดคนถ้าไปได้แล้วนะวันก่อนๆมาทุกเที่ยวเที่ยวจะได้มาสามร้อยกว่า ก็แปลว่าท่านไปเที่ยวกันแล้วกลับมาก็ต้องเริ่มต้นทําตนให้มีความดีพอธรรมเนียร์แรกก็คือหนึ่งการให้ทานเป็นทุนเบื้องแรกสองการรักษาศีลศีลก็ต้องบริสุทธิ์จะบริสุทธิ์ร่างในบริสุทธิ์ร่างในตอต้นก็ไม่เป็นไรถ้าตั้งใจรักษาเรื่อยไ ป, มม ไ, ย ไ, ปไม่ระวังเรื่อยไปไม่แช่ก็บริสุทธิ์การที่สามก็จะได้ภาวนาเพราะนาฬิกเป็นหลักใหญ่ จะทําให้ทานบริบูรณ์ขสินบริบูรณ์ด้วยนี่วิธีการเป็นภาวนาอันดับแรกเขาบรรดาญาติโยมคนสัตว์ทุกคนเริ่มทึงลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าจิตรับทราบให้ใจเข้าให้ใจออกจิตรับทราบวาให้ใจออกให้ใจเข้ายาวช้าให้ใจออกอย่าวท้าเนื้อรู้อยู่อย่านี้ชื่อว่จิตมีสมาธิในอนาปานุสติคือลมหายใจเข้าออก หลังจากนั้นก็ภาวนาตามด้วยภาวนานี้ไม่จํากัดนะใครจะภาวนาว่ายังไงก็ได้แต่ว่าตั้งท่านธรรมไหลไม่เคยปฏิบัติมาก่อนให้ใช้คำภาวนาว่าพุทโธอิละให้ใจเข้าเรียกว่าพุทธะลาให้ใจออกเรียว่าโธคือระดับสำหรับเบื้องต้นญาติโยมนะถ้าท่านธรรมไหลที่มีการคล่องตัวมาแล้วเคยปฏิบัติมาแล้วเพราะเคยภวนาว่าอย่างไรก็ก็ว่าไปตามนั้นไม่ต้องไม่จ้อเปล่นมาเป็นพุทโธ อย่างคนทีเคยถนับสมารหังบ้างอินีสุกโตบ้างงามะบัตธาบ้างห้องอย่างไหนว่าอย่างนั้นนอกจากนี้ก็ได้ตอนนี้ไปเขามาได้เปนหลายตั้งใจสมาทานสิ่งทีง่มาทำกรรม